หลับตื่นตื่นนะตอนนี้อาจจะ ง, วง่งวงเงียเงียซึมซึมนะปลุกตัวเองนิดหนึ่งนะถ้าซึมๆึ ม, มเราจะฟังทำไม่รู้เรื่องนะามัน ง, วง่งวงก็ครึงนิ้วมือเล่นก็ได้รูปเนะื้อรูปตัวก็ได้นะหรืกคนที่ยกมือแล้วฟังด้วยรู้เรื่องด้วยก็ยกมือไปนะไม่ถือว่าเสียมารยาทนะที่นี่นะ ยกมือไปฟังไปแต่ถ้าฟังไปยกมือไปด้วยไม่รู้เรื่องก็เอาสะอย่างหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้เราฟังทำกันเนาะก็ข อ, อนิมนต์พระอาจารย์ทรงศิลแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสเพื่อนสาสตกรรมิกจุรินทร์ทำมันยัง สมบนรเนกคุณแม่ชีแล้วในก็ดท ร, รมต้องอยู่ในวัดทั้งที่เพิ่งมาเมื่อวานกลุ่มพื้นที่ชีวิตออจามาใ ห, ใหทยาล่ยุกเต้นนั่งอย่างนี้แหละเราไม่ต้องพล ม, มือนะนั่งธรรมดาๆรรส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มคนสาวหนุ่มน้อยมั่งสาวน้อยมั่งว่ากันไป ที่นังก็อีกก็ไม่เป็นไรนะสำหรับที่นี่แต่ถ้าเป็นการเทศในพระวินัยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นโยมเนาะปกติพระต้องนั่งที่สูงกว่าโยมนี่มองไประดับนี่โยมสูงกว่าพระอันเครื่องรับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ศีลสองรเจก็มีข้อปฏิบัติหรือก็อคือจะไม่พูดกับคนที่นั่งสูงกว่า อยู่ขนถ้าไม่ป่วยแต่นี่ย้อมป่วยใช่ไหมที่นั่งในใครป่วยม้องยกมือรีบยกสิว่าป่วยนี่น่ามาก็จะวางไม่เนี่ยละ่ะมันมีพระวินัยเยอะแยะหมดก็กติกากําหนดให้เกิดความงดงามของชุมชนเพก็ธรรมะของสูงนะของสูงธรรมะธรรมชาติเวลาเทศนาธรรมเทธรรมะม้องเทลง คำเทกาลักน้ำไอ้ข้างล่างก็ต้องรองรับจ้ะกะละมังถ้วยโ ถ, ถอะไรต้องว่างด้วยถ้าล้นก็รับไม่ได้เทไปกร็ฉกเรียบอีกอย่างคือต้องพร้อมเวลาฟังคนพูดต้องพร้อมรับฟังบางทีไม่พร้อมมันต้านอยู่ข้างในไม่ฟังนะ ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่พระที่เราก็ลบไม่ใช่อะไรมากมายกันมันจะมีใจตันๆอย่างเงี้ยแต่วิสัยบัณฑิตเราผู้รู้มฟังทุกเรื่องนินทายังฟังเลยเราฟังโดยจิตที่มันน้อมเอาปัญญาน้อมอญญาประโยชน์วิสัยบัณฑิตอย่างงี้วิสัยที่เป็นผู้รู้ให้ก็นินทาอ๋อได้รู้จักเขาเขาพูดไม่ดีกับเราอ๋อได้รู้จักเขา ว่าเขาไม่ใช่มิตรเราแน่เลยอย่างน้อยได้รู้คนคนนี้ไม่ใช่มิตรเราในขณะนั้นหรือบางทีอาจจะเป็นบัณฑิตแต่มาในคราบของคนผานในรูปแบบคนผานก็ได้มันแม่ดูลูกพ่อดูลูกดีเหมือนคนผ่านจะตกจะตีเหมือนเป็นศัตรูกล่วหลีกันที่ไหนได้ปาธนาดีต่อกันจีในทางสว่างก็แล้วนีเรียกว่าประโยชน์ งั้นในวันนี้ก็ประโยชน์ประโยชน์ก็คือเรามารวมตัวธรรมวัเจ้าแลว้วก็ฝึกสติกันการธรรมวัเจ้านี่มันดีตรงที่ว่าเราได้คำของโบราณคำพูดที่เชื่อว่าขององค์สมเด็จสมเจ้าเอามาสวดใหมันผ่านปากให้มันเกิดความเชื่อศรัทธามงคล แต่มันได้เอาฤทธิปฏิหารอะไรหรือว่าดลบันดาลให้ร่ําให้รวยไม่ใช่งั้นให้มีความสุข ก, ก็ไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่ส่วนมนจะมีความสุขว่าอะไรบ้างเป็นสมาธิจิตมันลืมไปเลยว่าที่ผ่านมามันเคยมีความทุกข์อะไรเหมือวานเหมือที่ที่แล้วเหมือเดือนที่แล้วว่าจิตใจจด จ, อออจ่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับความหมายของการแปลเป็นภาษาไทยอย่างเมื่อกี้มีการสวด ติลักษณาเห็นความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนมันยังไงความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนถ้ากลับมาดูกายใจของเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงความเป็นทุกข์อย่างนี้นัน่งเนี่ ย, ยทุกข์ไหมทุกข์ไหมโยมลองนั่งนานๆนะอย่าอยากดิ้งนะสักชั่วโมงเงี้เอาเด้ โดยที่มันจะทุกข์ก็ก้อนทุกข์แล้อยู่ก้อนทุกข์อยู่ทุกขังใครมีร่างกายแล้วไม่ทุกข์อ่ะไม่มีโดนหนาวหน่อยโอ้ยก็เป็นทุกข์แล้วหาผ้ามาห่มกันงัยนะทำอะไรไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์อีกแล้วอืทุกข์ว่าอะไรมากไง <c oughs> พอใจของเราหมดกําลัง กำลังอดทนก็ไม่มีกําลังของความดีก็หายไปกําลังอายชัวย่วกลัวบาป ก, ก็ไม่รู้มีความโลภความโกรธความหลงโดยอริมจะทุกข์ไหมโกรธทีไรก็เหมือนตกนรกนั่นแหละเหมืนอนจุดไฟเผาตัวเองนั่นแหละบางทีไม่ต้องโกรธแค่งดกหินเนี่ยเอาละเริมละเริมละรู้ทันหรือเปล่านะความเป็นทุกข์มันเกิดมาความไม่เที่ยงนะความแปลปวนไป โดยที่รูปนั่งเนี่ยแหละนั่งสักพักเดี๋ยวกลายเป็นถทูอีกละต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินต้องนอนต้องกินต้องกรับไทายไนย่มีเสียงรดน้ำอยู่ในห้องน้ำสู่ ส, สู่ปวดหนักปวดเบาเข้าอองน้ำก็เรียกว่าสุก ข, ขาใช่ไหมไปปวดทุกข์กว่า เอาความไม่เที่ยงบางคนเอาความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนนะมาเป็นความทุกข์ทุกกายมีอะไรทุกขังทุกใจกเรียกว่าทุกอริยสัจ ส, สี่ทุกสมุทัยล้วนมาเกิดในจิตของเราคราวนี้บรดูกายดูใจ ก, ก็ต้องเห็นทุกเนี่ยแหละเห็นอ า, นารณ์ธรรมชาติต่างๆที่เราหลงหลงแล้วก็กลายเป็นพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายชอบไม่ชอบทั้งรูปรสกลิ่นเสียงปุถะาธรมรมลม เราก็มาเห็นมันเห็นด้วยความรู้สึกตัวรูปมันก็ทบที่ตาเสียงมันทบที่หูอันนี้มันก็นละเอียดละเอียดกว่าจะรู้เท่ารู้ทันดีเผลอหลงแล้วหลงอีกเพราะฉะนั้นเราจึงมาฝึกนเนี่ยนะพิกมือรู้สึกตัวเดี๋ยววั น, นี้จะได้เรียนรู้เรื่องการเดินจงกรมรู้สึกตัวแบ่งกลุ่มเป็น3ามกลุ่มแนละ้ว กลุ่มนึงก็เคยปฏิบัติวิธีการแบบแนวหลงพุทธิยนมา28ท่านใช่ไหมล่ะอีกกลุ่มก็ศรัทธาเคยปฏิบัติวิธีการนั่นนี่โน้นมาก็อีกกลุ่มอีกกลุ่มก็คือไม่เคยปฏิบัติที่ไหนมาเลยแต่ก็อาจจะมีข้อมูลอาจจะเคยศึกษามาบ้างแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นตัวเองกันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น รูปแบบสร้างความรู้สึกตัวให้สติมตื่นวันนี้จะเป็นชาววันแรกแล้วเมื่อคืนเราก็เลยใส่ข้อมูลไปบ้างเพื่อไม่ให้เสียเวลาหังา น, นี้เราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องปฏิบัติของเราอารมณ์ปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้ความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยึดถือไม่ได้ หมายถึงความคิดหมายถึงการปรุงแต่งหมายถึงอารมณนะ์ความคิดบางทีก็ไปอดีตความคิดบางทีก็ไปอนาคตนะทั้งอดีตทั้งอนาคตนะก็กลายเป็นว่าไม่รู้ปัจจุบันบางทีเห็นปัจจุบันนะคิดปรุงแต่งไปในอดีตไปอนาคตจากข้อมูลของแต่ละคนนะเรื่องเองเดียวกันอาจเป็นหลายเรื่อง มองได้หลายมุมมองต่างมุมต่างคนต่างคิดก็คือความคิดนั่นแหละและ้วเดือดท้ายสุดจะขยายความจนทางเราลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละเราก็จึงพยายามที่จะฝึกตัวเองกันแหละใจมีสติโย وب, กบกายลนรัศกรปกติองเล็บศีลเมื่อใดก็ตามเมื่อไรก็ตามเมื่อกายกับใจมันอยู่ด้วยกัน เลืกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นน่ะนะบางคนอาจจะคุ้นเคยกับโยกเนะี่ยกายทำอะไรกับใจทําด้วยพอเรามาฝึกเราจะได้เห็นเลยบางทีก็รู้ตัวบางทีก็หลงไปบางทีก็รู้กายนี่ก็หลงไปในความคิดบางทีก็รู้กายแล้วก็หลงไปทางตาทางหูเราฝึกกลับมารู้กายรู้สัมผัสที่กาย ปิกมือกัรู้การเคลื่อนการไหวยกขึ้นมากัรู้การเคลื่อนการหยุดมาธิสดือกัรู้เนี่ยฝึกที่ลักษณะจิตหนึ่งขณะของจิตรู้สึกตัวหนึ่งขณะของจิตรู้ปัจจุบันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดกําลังใจขึ้นมาแน่นอนผู้ที่ครั้งหนึ่งเกิดกําลังใจขึ้นมาแน่นอนเพะเป็นความจริงที่เราจะได้ สัมผัสที่ตัวเรากันบางทีมันหมดกำลังใจเช่นก็พูดไม่ตรงที่เราคิดเนี่ยมันหมดกำลังใจเราไปไเป็นอย่างที่เขาคิดสักหน่อยก็ามาพูดมาโนไปเป็นตุเป็นตะพวกมากหลากไปยิงกระยับความไปคนนั้นก็พูดเหมือนกันคนนี้ก็พูดเหมือนกันแต่พอพูดฟังแล้วมันน่าหมดกาลังใจจริง เรสังคมมันเป็นอย่างนี้กันเยอะมากทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นกลกไกลกไงกลไกลของการแข่งขันกลกไกกลกไกของการมีความสําเร็จมันก็ใช้วิชามารดึงสูงลงต่ำมีไหมมีไห ม, ม, ไหมพวกเราเกิมีประสบการณ์คนก็ดึงเราลงต่ำไหมเกิดไหมแล้วไม่ได้เป็ น, นแต่ก็พูดเฉยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็อ้าวทาไมต้องไปพูดอย่างนั้นด้วยล่ะไม่จริงไม่จริงไปแก้ตัวปล่หมคิดไปเถอะมันจริงไม่จริงเรากลับมารู้ตัวเรากันแต่ถ้าเขาถามตอบเขาจะหน่อยแต่ไม่ต้องตอบเยอะตอบครั้งเดียวก็พอตอบไปได้ข้อมูลเพราะในโลกนี้มีนินทามีสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสริ ม, รมยศ มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอลไรหรอกมันเป็นสมมติบัญญัติหมดแล้วนะโลกใบนี้ถ้าเป็นตัวเป็นตนจริงๆเห็นตามความเป็นจริงสายธรรมเขาเรียกปรมัติปรมัติมันจริงที่ตัวเราความไม่ทุกข์มจริงที่ตัวเราแต่สมมุติบัญญัติมันมีเต็มโลกเลยสมมุติให้เป็นอะไรก็ได้เป็นไอ้เก้งไอ้กวางไอ้เต่าไอ้แพะเป็นได้หมดนั่ละสมมติที่เราเป็นเลยก็เป็นไปเลยในใจของเขานะ แต่ความจริงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยดีไหมดีไหมโยมมันไม่ได้มีตัวตนที่เราไปคอยรองรับเนี่ยไปอย่างนั้นโอ้ยุ่งเหยิงสับสนโยมก็ชี้ให้เราไปตายเราก็ไปตายสิไปตามป่าก็หมดเลยก็ชี้ให้เราจนแล้วก็จนเลยมันมีกําลังพอกําลังที่เรียกว่าศีลกําลังที่เรียกว่าปกติของจิต มันพอที่เทำให้เราซ่อมตัวเองได้แน่นอนเขาชนแล้วก็ซ่อมเขาชนแล้วก็ซ่อมคําพูดมันชนดีนักเพราะนั้นก็ไม่พูดกันแบบขวานผ่าซากหรือว่าไม่พูดกันแบบตอกลิ้มพอตอกก็เกิดการแตกแยกกันมาพอตอกเกิดการแตกแยกกันมาไปในจิตใจสําหรับบุรุชนคนทั่วไปเนี่ยมันเป็นทุกข์ง่ายๆลมปากก็เป็นทุกข์แล้ว มาลองพูดถึงลมภายนอกหรืออารมณ์อีกมากมายแล้วเกินนะที่มันอยู่ ร, บรอบๆตัวเราเราเคยมีกำลังในชีวิตนะกำลังคืออะไรมังยมที่จะผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคนะเคยมีกำลังคือรูปไหมถามทุกคนที่นั่งเก้าอี้กำลังคือรูปหมดไปแล้วที่นั่งเก้าอี้นะ รูปมันนั่งปวดล้างปวดเอวปวดข้อปวดกระดูกกำลังคือรูปหนึ่งปีสองปีเกิน30ปีเกิน40ปีอย่างเงี้ยทีมันก็ขาลงเลยใช้มาได้แค่นั้นนะที่เหลือทำมันสุดโสมไวจังก็ต้องคอยกินอยู่กินยาคอยหาหมอคอยออกนังกาย กำลังคือรูปไปไหนปีก้าขาแข็งท่องโลกกว้างไม่กลัวอะไรเลยหนาวก็ไม่หนาวอาบน้ําก็อุ่นถึงจะหนาวอาบน้ำก็อุ่นขึ้นมาไม่หนาวสั่นสะทือนนี่แหละคือกําลังคือรูปรูปร่างกายของเราต้องหัจาะหลดเท้าแข็งแรงบางคนก็เคยมีกําลังคือลูกลูกไม่ใช่รูปนะลูกลูกชายลูกสาว ในใครเคยมีกำลังคือลูกมั่งยกมือยงสูงนะยงสูงพวกยกมือขนาดเนี้ยเหมือนก็นมีลูกไม่เต็มคนอย่างงี้นนะมีครึ่งลูกเล็กๆเป็นลูกชายตกันมาเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยมันไอ้ที่พูดเนะี่ยเคยมีมาไงมันมีกำลังยิงโอ้ยลูก จะเรียนต่ำๆไม่ได้ต้องเรียนที่สูงหาเงินเนี่ยต้องเหนือ่อยแล้วหาเงินคาเทิอยแล้วมันมีกำลังลยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องลูกแล้วแต่มันปล่อยมีกำลังแล้วเป็นความหวังหวังว่าวันหนึ่งก็จะเชิดชูวงตระกูลขึ้นมาวันหนึ่งก็จะเป็นคนที่โยสังคมแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมมีความหวังได้สืบทอด อารมณ์การกันเจตนาลมกันเห็นหน้ารัวเกิดกำลังใจหรือคิดถึงก็เกิดกำลังใจมันเป็นอย่างนี้ในใครไม่เคยมีกำลังคือลูกยกมือขึ้นนะยกสูงอเอามื่อลงต่อมาคือกำลังคือญาติญาติอย่างมาที่นี่ก็บอกว่าพวกเราทุกคนเป็นญาติกันนะอยู่ที่นี่ เป็นญาติที่เพิ่งได้มาพบพบหน้ากันามาเคยได้ฟังหลวงพ่ อ, ขอเขียนพูดตอนที่มาบวชเนี่ยนะหิ้วกระเป๋าอะกระโตงกระเตงเลยกลัวที่นี่ไม่มีข้าวกินตอนเพนสมัยก่อนไม่มีข้าวกินก็ซื้อข้าวมันไก่หิ้วมาด้วยใจแกงขอพอลงรถปั๊บกลัมารีเข้าร้านข้าวมันไก่กันซื้อหิ้วขึ้นมาจะกินเพนนี่เนี่ย ทั้งกระเป๋าสองลูกทั้งกวางไก่กระตรงูงกระเตงมาพร้อมกับจดหมายก่อนอาจารย์สนใจฉบับหนึ่งเขียนว่าไงกุงไม่ได้อ่านนะใ ส, ใส่กระเป๋าไว้เอามาให้หลวงพ่อตอนมาหาหลวงพ่อฮิ้วกระตูงกระเตงหลวงพ่อรีบรี บ, รบมายกเลยนะพระมายิ่งของโย ม, มยมใจดีไหมโยมใจดีม โอ้ oh, สุดยอดเลยเราเห็นแล้วพระมาช่วยโยมหิวอะ่ะจากหน้าวัดเข้ามาข้างในเสร็จแล้วพูดว่าโอ้ยนึกว่าใครญาติกันญาติกันญาติกันกลับบ้านเนาะกลับบ้านเนาะฝั่งเราบุ่ญไหมโยมใครรู้อย่างพ่อมเขียนเขาเราก็รู้สึกเลยหายเหนื่อยเลยได้กำลังใจขึ้นเลทั้งที่มาเนาะโอ้ยฝ่าจะมาวัดป่าสุกโตได้โยม ไม่ง่ายมันโยบหรอกโยมมาจรงเทพก็ดิ่งชัยภูมิเลยใช่ปะอดมาไม่เคยมามาวัดเนี้ยนะมาแบบจากเชียงใหม่มาที่นี่มาถูกเออแปลกจากระยองมาที่นี่มันไม่ถูกโยมต้องนั่งรถระยองกรุงเทพกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่ชุมแพชุมแพ้แก่งคอแล้วแก่งอคอค่อยขึ้นมาชัยภูมิฉลาดไหมล่ะไม่มีกลุ่มพื้นที่ชีวิตเนี่ยจะได้มากับกลุ่มพื้นที่ชีวิต มมันชื่นใจว่าเห็นหลวงพ่อพูดถึงคัมญาติพี่น้อง น, ะนหรือเวลาไปต่างประเทศนะรู้สึกว่ามีคนไทยอยู่อบอุ่นไหมโยมไปอยู่เชียงใหม่มีคนละยองก็มีบ้านพักอยู่ในสถานศึกษาเสร็จแล้วเป็นครูบาอาจารย์โดยคนละยองบ้านเดียวกัน เชออาจารย์จำรอสมจิตโอ๊ยมีกําลังใจขึ้นมาเจอคนละยองด้วยมีชมรมคนละยองด้วยเงี้ยคนบ้านเดียวกันกนะ็คือญาติอยคนละยองก็มาเรียนด้วยกันนะโอ้เป็นญาติอย่างเงี้ยฉันเขาว่าญาติมิตรเนี่ย ม, มันทําให้มีกําลังใจขึ้นมาถ้าศัตรูแล้วหมดกำลังใจใช่ไหมโย ม, มต่อมากําลังคือทรัพ กำลังคือรับไปไหนนี่พูดเสียงดังได้หมดเลยไม่กลัวใครอ่เดี๋ยว เ, เงินซื้อมันแต่ยุคนี้ประกาศตัวมีทรัพย์ต้องระวังนะประกาศตัวเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลพ้นเรียบตามพ้นมาไงได้มาไงตรวจสอบขโมยมาบ้างตรวจสอบคอร์รัปชันมาบ่างตรวจสอบวิศวะาสตเอาของใครมาบ่างตรวจสอบโอ้นขนาดนี้เลยนะ่ กําลังคือทรัพย์เี่หลายคนก็มุ่งหาทรัพย์ภายนอกกันหาเงินหาทองมันลืมหาทรัพย์ภายในนีของเราในโชคดีตรงนี้บางคนเลยมีทั้งทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในกําลังคือทรัพย์อริยทรัพย์สร้างได้แล้วก็ไง่ายกว่าหาเงินหาทองภายนอกเลยเพราะเรามีกายมีใจมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ เพียงแค่กลับมารู้สึกตัวนะเราจะได้กําลังคือทรัพย์พอทรัพย์สิ่งนี้คือศีลคือความเป็นปกติมันเกิดกําลังอย่างมากนะกําลังคือทรัพย์คือเงินไม่มากแต่กำลังคือศีลภายในใจของเราศีลคือความเป็นปกติไปไหนก็ปกติจะนั่งเดินยือนนอนกินขับถ่ายไปไหนก็ปกติเราจะปกติได้ก็ต้องรู้สึกตัวใจจะเป็นปกติ ไม่บูบว่าฟูฟูแฟบแฝขึ้นขึนลงลงไม่สุขสุขทุกๆไม่คุ้มดีคุมร้ายนชาวดีสายเราละร้ายเห็นมาเลยอากาศเยน็นเย็นกระใจดีอากาศร้อนร้อนก็งดหงิดใจร้ายขึ้นขึ้นลงลงวันวันพอพูดดีใจดีพูดไม่ดีใจร้ายอย่างนี้ได้อาหารถูกใจก็ใจดีพออาหารไม่ดีใจร้ายเนอะ เอาหารยุคปัจจุบันเนี่ยอาหารก็้มีให้เลือกเยอะเหลือเกินกินแล้วอารมณ์ดีนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ชายขายหอยก็มีโยมใครรู้มั้งผู้ชายขายหอยยก ม, มือขึ้นยงสูงรู้ได้ไงว่ามีผู้ชายขายหอยรู้ได้ไงใครไปกินนะ ใครเคยกินยกมือนะมีคนเคยกินภาคมกามไล่ซอกแซกเกินนะโยมาซอกแซกหากินผู้ชายขายหอยก็ผู้ชายธรรมดามก็ขายหอยไม่ค่อยได้ใช่ไมต้องเอานักกล้ามมาเอาที่เขาเข้าฟิตเนสทุกวันหน้าท้องเป็นรอนเป็นรอนแลแขนโตๆหน่อยร่างกายหุ่นดีมีหนวดมีเคราอะไรแบนะี้แล้วก็บีบใบกระตูหูซักหน่อย ทำมันใส่เสื้อมันยกทรงแล้วก็หนงแกงยีนขาสั้นๆมันก็มียูนิฟอร์มของเขาแล้วเอาหอยแคลงหอยแมงผู้เอามาลวกสดๆลวกจิ้มเดือนรายได้เป็นล้านเลยโยมทำกันแบบจริงจังทีวีบ้างอะไรบ้างก็สร้างภาพกันสร้างกระแสกันเดี๋ยวนี้มันมีรายมี Facebook มีอิน t a อร์ m กรมมีอะไรมากมายมันก็เป็นสื่อการส้าขายของที่ดี อย่างนี้ไอ้ที่บอกนี้ก็หมายถึงว่าก็หาทรัพย์กันสารพัดนั่นแหละเราก็หลงในรูปในรสในกลิ่นในเสียงกันบางทีก็ลืมไปกับโลกนะีตอนนี้เราไม่ลืมมาวัดป่าสุขตพยายามสร้างความรู้สึกตัวให้มีกำลังคือศีลขึ้นมาแล้วก็ท่องโลกภายในของเรากายฟังสอบสอบยาวาหนาครือ ร่างกายทื่นฟังศอกแล้วก็ยาววานาคืบเราไปท่องมันตั้งหัวจนถึงเท้ามันมีใจมันมีจิตมันมีวิญญาณกรณี้การที่เราทุกข์ใจเนี่ยนะความทุกข์เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่ารู้ท่านอา น, นิจจังมันก็มีอนัตตามันก็มีความไม่ใช่ตัวตนเดยเพราะความคิดของเรา ความคิดเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาวันนึงเนี่ยไม่น้อยกว่าเจ็ดหมนเรื่องก็เปการเอาเอาแปะส่วนอากาศแปะไว้ที่ขมับแล้วก็โยงไปเข้าเครื่องคิดทีงก็ 1, หนึ่งสองสามสี่ก็จับได้เป็นเจ็ดหมืนกว่าเรื่องที่คิดได้อะนะจับได้ในขณะนั้นจริงๆมีแสนแสนเรื่องเลย บางทีก็มากกว่า น, นั้นแต่ละคนถึงท่านเป็นปโรคจิตโรคประสาทเพราะฉะนั้นสมองเราเนี่ยมันมีคลื่นมากมายแล้วกันรับรู้เรื่องราวชาวบ้านมากมายมีกลไกทํางานตามกฎของธรรมชาติร่างกายหรือเนื้อสมองและที่สำคัญคือมันมีจิตจิตของเราจิตวิญญาณทํางานร่วมกันอยู่ที่นี้จึงไม่มีคําว่า ค, คำคำบริกรรมแบบพุโทโธสัมาหลังมีคําพูด ไม่ต้องมีเลยนะพิกมือแล้วก็สัมผัสไปเฉยๆเพราะมีการพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วก็คิดไปนะตํามังหมดในที่นี่ใครเคยไปบริกรรมพุทธโธมังยกมือขึ้นสัมมาระหังยกย่างเหยียบหนอเวลาปฏิบัติยกมือขึ้นมีบางคนหลายคนที่นี่มีสรารจารย์และเกียรติคุณอยู่คนหนึ่งชื่อหมอ เกลียงศักดิ์จิรแพทย์คุณหมอเกลียงศักด์ก็อยู่ที่นันเมื่อสักปีใหม่มาครื่องค่นอนเดือนเหมนกันมาเก็บตัวเงียบอยู่ที่นันยังมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากก็ยังให้ทำงานอยู่หลังจา ก, กเกษียณแล้วคนนี้ก็พิสูจน์ด้วยการไปสหรัฐอเมริกาไปเล่นม้บอลมายบอลก็มีลูกฟุตบอลไงแล้วใช้จิตนะเพ่งให้เป็นสมาธิ แล้วก็ต่อเคลื่อนไฟฟ้าลูกบอลมันจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เล่นกันกระไฟตัวนันข้ามใครสมาธิแรงประกันคนนั้นก็จะผลักลู ก, ลกบอลไปหาฝ่ายหนึงมีกำลังปั๊บลูกบอลลูกบอลจะวิ่งจูดไปเลยไปหาหมอเกยงศาสตร์ก็คิดว่าเขาฝึกตัวเองมาดีสมองดีเก่งพอลงปั๊บ ในสนามนะก็ก้กมนิ่งหลับตาพลิ้มนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธคิดว่าจิตจะมีกำลังวิธีคิดของเขานะศาสตราจารย์เกียรติคุณส่วนอ้เด็กฝรั่งมันไม่เคยรู้ลงพุโทโธเนี่ยเด็กฝรั่งเด็กเล็กๆประมาณสักสี่ขวบห้าขวบประมาณนะี่ยมันก็ก้มลงไปเฉยๆไม่ได้คิดอะไรนะ กดลูกบอลวิ่งมาหาหมอเกียงศักดิ์หมอเกียงศักดิ์ชนะไปอีกคนหนึ่ง ไ, ไม่ใช่ขอโทษไอ้เด็กฝรั่งก็นชนะไปอีกคนหนึ่งเมียของเขาชื่อวีนาจิรแพทย์ก็41ออยู่ที่มหาลัายจุฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพยาบาลอันนี้เคยฝึกแบบแนวหลวงพุทีิยานไมเนี่ย ไม่ต้องบริกรรมเขาก็ไปแก้แทนผัวก็ให้เด็กฝรั่งคนเดิมแล้วเขาก็ลงไปมาครั้นี้ก็ใช้ความรู้สึกตัวสัมผัสรู้เฉยๆอาคานนี้ชนะเด็กฝรั่งเห็นอะไรได้ไหมนั่นแหละจิตที่มีกำลังก็คือจิตที่กลับมารู้สึกตัวรู้ตรงไหนก็ได้ลมหายใจก็ได้ หรือว่าไปรู้นะตรงจุดที่มันสัมผัสและหยาบที่สุดรู้สึกง่ายที่สุดหรือบางทีก็แอบครึ่งนิ้วอยู่ครึ่งนิ้วเบารับรู้นะโอ้จิตมีกําลังขึ้นมาเคยมีสื่อแล้วก็เอามาฉายให้ดูบ่อยๆเพื่อพิสูจน์ว่าในคนสองคนเนะี่ยมันฝึกจิตที่นี่ละทั้งสองคนเข้าคนนั้นนะหมอเกียงสา ก, กา ภรรยาที่เป็นพยาบาลวีนาจิรแพทย์แลหอแอีหมอแอดหมอแอดเวลาแสดงออกการกำหนดรู้สึกตัวเฉยเฉยมีคำบริกรรมมีความคิดลงไปเห็นหนายกย่างเหยียบหนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทมันมีหลักฐานทางวิศาสตร์ที่รับรอง เรื่องคลื่นสมองเวลาฝึกจิตเพราะนั้นเดี๋ยวนี้โกหกมันก็พิสูจน์ได้มีเครื่องจับเท็จคนมีความสุขไม่มีความสุขอาหารจริงอาหารปลอมก็พิสูจน์ได้รู้จริงรู้ปลอมเวลาเข้าเครื่องมันจับได้หมดอาตามาเคยเอาเครื่องจับความสุขมาจับคนที่อยู่ในวัดไนงะคนในวัดไม่ค่อยมีความสุขกันเลยอยอมจริงจริง สู้ชาวบ้านก็น ไ, ได้ชาวบ้านเนี่ยเคยวัดระดับห้าระดับไม่เกินสิบมีความสุขมากเลยชาวบ้านนะ่ยส่วนคนวิบัติเอาเป็นเอาตายอันจะจะไปนิพพานหน้าดํ ำ, ำขําเครียดกันจะไปนิพพานปฏิบัติกันเป็นกรรมฐานหน้าดําเรียบเลยเพราะนั้ น, นมามีความเชื่อส่วนตัวว่าจะไม่พาพวกเราลงที่หลงทางเคยปฏิบัติกับหลวงพ่อขียนแล้วก็หลวงพ่อขีดก็คอยดูแลอยู่สมัยหนึ่งนะ ไม่ได้พูดกันเยอะเลยพูดคำสองคำแล้วก็ปิดบัตรกันส่วนใหญ่นะคำพูดนี้เกิดจากการคิดนะเพราะนั้นทุตุสานที่ก็มีการบอกว่างดพูดเพื่อภาวนาหรือปิดวาจาซนะแล้วก็เอาใส่ใจฝึกหัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งโดยพ่าวัดป่าโซโ ต, โตนะก็คือพริกมือนั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมนะแล้วเราค่อยๆได้เดินทางนะมีศีล พ ร, у, ค, ววร ค, ว ium, ความรู้สึกตัวทําให้เกิดศีลขึ้นมาเกิดความเป็นปกติขึ้นมาความรู้สึกตัวหมายถึงกลับมาดูกายของเรานะดูลมหายใจของเราแล้วได้เห็นจิตวิญญาณจิตเดิมแท้เนี่ย จ, จะได้เห็นหรือว่าเวลากระทบสัม ผ, สมผัสมรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, าจจะได้เห็ น, น, นเวลาคิดนึกปรุงแต่งความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยเราจะได้สัมผัส ม, สมันแล้วก็กลับมาเป็นจะมาอยู่ภายใต้อํานาจ ภายใต้ความครอบงำของความคิดซึ่งเรียกว่าอนัตตาความคิดที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาก็มีพลังมีความไวมีความเร็วจะคิดอะไรก็ได้ถ้าขาดสติคิดฆ่าใครก็ได้คิดโกรธคิดทำลายตัวเองคิดทำลายผู้อื่นเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นก็ได้เราจะได้เห็นกฎของพตัตไตลักษณ์อย่างที่เมื่อกี้เราสวดกัน อะไรที่เป็นความทุกข์กายอะไรคือทุวยะโสตสีทุกข์สมุทัยเลดมรรคทุกข์เกิดเพราะอะไรเพราะสมุทัยและอะไรคือสมุทยัยการหลงก็ไปในความคิดหลงเมื่อไรก็เข้าไปในความคิดหรือเรียกว่าอาวิชากะดะ็ดหรือเรียกวิาวชากะะ็วันนี้ก็คิดถูกว่าพื้นฐานของจินคนเก่งคนดีคนที่คิดอะไรถูกต้องชอบทาแม่นยา บางทีก็คิดถูกบางทีก็คิดผิดจะถูกจะผิดก็เอาออกไปก่อนเหลือแค่ความรู้สึกตัวเปลี่ยวๆให้มันจัดระเบียบชีวิตของเราหน่อยเพราะฉะนั้นการเดินธรรมคือการซ่อมตัวเองใช้ใหม่ซ่อมร่างกายของเราที่ผุพังเหลือไม่เท่าเก่าซ่อมมาลดผุผุพังเพื่อที่จะขับเคลื่อนชีวิตวันนี้จนนังถึงชีวิตที่เหลือในวันข้างหน้าก่อนที่จะลาลับดับจากโลกนี้ไป เราจะซ่อมมันใช้ซ่อมคําพูดของเราใช้ใหม่มันเคยพูดแล้วเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนเื่อนก็พูดแล้วให้เกิดประโยชน์ขึน้นมาพูดแล้วให้เกิดสันที่สุขเกิดสันที่ภาพขึ้นมาพูดแล้วให้เกิดความสมบัติสันมะคีอะไรเงี้ยอันนี้ก็พูดได้แต่ว่าช่วงปฏิบัติก็งดพูดเพื่อภาวนาไว้ก่อนซ่อมมันให้มันพลิกพูดอะไรแล้วเกิด มิภาพลาบเรียบเป็นปิยาวาจามาจาวาจามัรุรสเกิดคำทิลภาพเกิดความเข้มแข็งกนในกายในใจของผู้คน